พัฒนาคนได้ด้วยการพัฒนาความต้องการของเขาเท่าที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เท่ากับเป็นการเสนอหลักการอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาว่าคนเรานี้โดยธรรมชาติย่อมมีแรงจูงใจทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วซึ่งพร้อมที่จะนำออกมาใช้ได้การกระทําที่ดีงาม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 หรือความไฟดีนี้ขึ้นมาเป็นคู่แข่งกับตัณหาที่อยากได้อยากปรนเปล่ตนเองนั้นไม่สำเร็จก็หวังได้ยากนักที่จะแก้ไขขจัดปัญหาความชั่วร้ายนาน า, นานในสังคมปัจจุบันหรือจะทำงานพัฒนาที่ดีให้เป็นผลเพราะใจคนพร้อมที่จะไหลไปตามตัณหาอยู่แล้วการจะใช้แต่พลังไฟลบมาหักห้ามเช่นบอกว่าอย่าทาผิดศีล อย่าละเมิดระเบียบเป็นต้นอาเพียงพอไม่เพราะแม้แต่การรักษาศีลนั่นเองขาชันท่าสิแล้วก็แทบจะทำไม่ไหวชันท่าที่เป็นพลังฝ่ายบวกด้วยกันแต่เป็นปฏิปักษ์กันกับตันหานี่ล่ละจะเป็นตัวยับยัง้งข่มและปราบตันหาที่ได้ผล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 ก็ยากที่เขาจะต้องรอสัญญาให้ได้รางวัลก่อนจึงจะทำความสะอาดฉันท์าอาจกลายเป็นปัจจัยซึ่งทำให้คนดีมีความทุกข์ได้ถ้าเขายังเป็นปูทุชนที่ยอมให้ความยึดติดถือมั่นรอบงำจิตใจและอาจให้เขาก่อการรุนแรงเสียหายขึ้นก็ได้ถ้าเขายังมีสติปัญญาไม่เพียงพอและตกอยู่ใต้อานาจของความยึดมั่น แต่ฉันทาเป็นพลังสำคัญที่จะให้เริ่มก้าวหน้าไปได้ในกุศลธรรมจึงจำเป็นจะต้องปลุกฟื้นขึ้นอย่างรู้เท่าทันส่วนโทษทั้งสองแง่ที่เกิดจากความเป็นปูตุชนนั้นมีทางหลีกเลี่ยงและแก้ไขได้ดังจะศึกษากันต่อไปถ้าทรรมืชันทะหรือกุศลชันทะ มีกำลังแรงกล้าก็ย่อมข่มกำลังตันหาได้ในทางร้ายความริษยาทำให้เห็นคนอื่นได้ดีทนอยู่ที่จะไม่กีดกันหรือทำร้ายไม่ได้ฉันใดในฝ่ายดีด้วยกุศลฉันทะถ้ายังไม่บรรลุความดีงามสูงสุดก็ทนหยุดยิ่งเฉยที่จะไม่ทำให้ดีไม่ได้ฉันนั้น กรณีตัวอย่างเมื่อฉันทามีกาลังแรงกว่าตันหานักเรียนนักศึกษาทั้งที่ว่าตนค้นคว้าเขียนคำตอบเพียงครั้งแรกก็พอที่จะสอบผ่านได้คะแนนดีแต่กลับเพียรควนขวายให้เข้าถึงความรู้จริงแทหรือรวบรวมความรู้ให้ได้มากจนสุดกำลังพ่อค้าทั้งที่ผลิตของออกจำหน่าอยอย่างนี้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 เพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาเมื่อผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของตนสร้างผลสำเร็จที่ดีขึ้นได้ทั้งที่เกิดความริษยาตามธรรมดาของปุถุชนแต่กลับช่วยกันส่งเสริมประกาศเพื่อให้ความสำเร็จนั้นเป็นประโยชน์กว้างออกไปแก่ส่วนรวมผู้ปกครอง ท, งทั้งที่รู้ว่าถ้าปล่อยให้ประชาชนไม่มีความรู้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 ที่เป็นเช่นนี้เพราะกลัวเสียธรรมะมากกว่ากลัวเสียผลประโยชน์ตรงข้ามกับตัญหาซึ่งยอมเสียธรรมะดีกว่ายอมเสียผลประโยชน์เพราะธรรมะชันท่า น, นี่แหละจึงทําให้พระโพธิสัตว์ทุ่มเทพระองค์ยอมสละชีวิตบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์และเพราะรักโพธิญาณมุ่งหมายเด็ดเดียวต่อสัจธรรม เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะจึงสละความสุขสำราญในราชสมบัติเพียนฝา่าความเป็นอยู่ที่ยากลำบากบำเพ็ญโพธิมัคคาจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพึงสังเกตคำว่าสัพรพสัตว์จำนวนปัจจุบันเอาแค่มวลชน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 ความอยากหรูหราเป็นเพียงเงื่อนไขให้ต้องการเรียบร้อยจึงทำให้ฉาบฉ่วยผิวเผินเกินพอดีและอาจก่อปัญหาได้มากมายส่วนแรงจูงใจในกรณีหลังชอบเรียบร้อยเพราะอยากให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเป็นธรรมชนทะคนทำการด้วยตัณหาคอยห่วงจะเอาชนะคน คนทำการด้วยฉันทะมุ่งแต่จะเอาชนะงานคนทำงานด้วยตัญหาทำฮือฮาใหญ่โตเมื่อเริ่มต้นพอหายโชง่างตื่นเต้นก็ซบเซารามือหรือลักกะปิดลักกะเปิดคนทำงานด้วยฉันทะทำจริงจังยั่งยืนจนเสร็จคนหนักในตันหา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 ตันหามาักง่ายฉันทะไม่กลัวยากคนมีธรรมฉันทะใครรู้ข้อบกพร่องของตนและกิจของตนยินดีปรีดาที่ได้รับรู้รับฟังเราได้เครื่องชี้ช่องที่จะปรับปรุงตนลกิจของตนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอย่างน้อยก็ได้แง่ที่จะตรวจตราให้มั่นใจในความสมบูรณ์นั้นส่วนคนหนักในตัญหา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 ความประหยัดอาจเป็นเพียงปัจจัยประกอบสิ่งสำคัญคือนั่นอาจเป็นเครื่องแสดงถึงธรรมชนทะเด็กต้องการให้สิ่งที่เขาเกี่ยวข้องเป็นไปในภาวะดีงามสมบูรณ์อย่างน้อยก็อยากรู้ความจริงพึงส่งเสริมให้ถูกเป้าผู้มีธรรมชนทะ พึงระวังทางผิดพลาดที่สำคัญสองอย่างคือหนึ่งปล่อยให้ตัญหาเข้ามาแทรกสวมรับหรือชิงเอาบทบาทไปทำแทนหรือต่อจากฉันทะเช่นแก้ไขอะไรไม่สำเร็จแล้วเสียใจว่าตนไม่เก่งตัวอย่างนี้คือตัญหาเข้ามาแทร ก, ก อ, อ่อนๆไม่เลวร้าย 2. ขาดความรู้หรือไม่สแสวงปัญญาผู้รักธรรมะจะต้องรู้แน่ชัดด้วยว่าอะไรเป็นธรรมมิฉะนั้นอาจทำการผิดพลาดได้ความรักธรรมะและความรู้ธรรมะต้องมาด้วยกันถึงจะทำความจริงความถูกต้องดีงามที่ประสงค์ให้สาเร็จได้ ข้อนี้ช่วยเน้นหลักการใหญ่ของพุทธธรรมที่ถือปัญญาเป็นองค์ธรรมหลักในมรรคคาแห่งการพัฒนาชีวิต